ไมกค่อยได้ยินเสียงะฮะเสียงคือดังคอยแต่ฮะคือดังแห้งดังแห้งแต่ห้าปูดเดียวบ่ฮึฮึดังแรงแต่เราคนเดียวแหละ พูดไปไหนกูไป่ได้ยินเสียงแนอแนอะฮะเรนสวดไหมฮะมกูไปได้ยินฮะกอ ไ, ได้ยินแต่เสียงเราคนเดียวเนี่ยฮึ <ının> ที่อื่นก็สวดจนเหนื่อยสวดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราสวดแค่นี้พอแล้วยี่สิบกว่านาทียิบห้ายิบห้ายิบห้าถึงครึ่งครึ่งชั่วโมง เมื่อคืนมดคืนเลยเด้เมื่อคืนนะยุนพลหกโนะมงกว่านะรับทั้งออได้ออกไปออกไปกุฏิตาแห่งตาแห่ง เจดหกกันหกกันเจ็ดกันแปดกันกับกับกันท่านทุกทวัดป่าแสงอรุณทุ่กวัดป่าแสงอรุณอ็ดีเริ่มหลังจากหกหกโมงไปแล้ว ทาจะาคุใไ้ศินแปดเสนอทางกับพุทธรรมต่อเราไม่ได้ไปฟัง <c oughs> ไปตอนมืดไปตอนมืดตอนท่านเสร็จกลับขึ้นรถท่านไม่ได้อยู่สวด ท่านไม่ได้อยู่สวนมนกหลับก่อนหลับมานี้แหละเดินทางข้ากรุงเทพกลับเดินทางข้ากรุงเทพ็นงานลับปูหลอด <c oughs> จัจจนสวัสดิ์จันสวัสดิ์จะคุณบุญร่วม จานสวดิุณผู้นิรุมอาจารย์อ้วนอาจารย์อมรอาจารย์สีอาจารย์จันทร์อาจารย์เวทอาจารย์เวทเทศทั้งชั่วโมง22นาทีชั่วโมงยี่บงนาทีเทิดการสุดท้ายชั่วโมงยี่บสอนาทีสว่างพอดี สว่งเกอบได้รุนเกอบได้รุนเนี่ยตอนเนี่ยเราถึงได้ออกไปนอนก็กลับไปคนบางคนก็ไปนอนบางคนก็ช่วยดูนดูนี่พวกนั้นก็ทั้งนั่งทั้งนอนฟังหมดทั้งคืนนะพวกก็บวชชีปลามสองรอยกว่านึง สองรอกว่าท้าไมมีพวกบทชีพรามวก็มันไม่มีคนฟังตลอดสองหนึ่งสามทุ่มสี่ทุ่ว่ากลับบ้านหมดก็ดีบทมีบทชีพราบางคนเขาเขาก็ไปเสียสละคืนหนึ่งเขาเสียสละอยู่นอนฟังทั้งคืนนั่งฟังทั้งคืนนั่งฟังทั้งคืนบางคนก็นั่งตลอด มันกระลบไปนู้นไปนี้ปเป็นเดยฟังอดไปทนไปสู้ไปทำไ ม, มจะดีขึ้นทำไมเราจะปลุกจิตดวงนี้ให้มันตื่นขึ้นได้มันยากแต่ตรงที่มันปลุกมันคือ มตื่นขึ้นในญาติตื่นขึ้นจากขี้เกียจขี้คลานตื่นขึ้นจากโมหะความรุ่มความหลงตื่นด้วยความเห็นทุกเห็นโทษเห็นเวร เ, เห็นภัยในบวัดฏสงสารเนี่ยมันปลุกยากนะดูแต่พวกเราพวกเราเราเราปลุกปลุกง่ายให้ปลุกยาก เราให้เห็นคุณเห็นโทษในวัตฏสงสารเพรื่อที่จะได้รีบเร่งตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญนยมันเห็นง่ายหรือมันเห็นยากมันเห็นโทษได้ยากทําไมมันจึงเห็นโทษได้ยากเพราะเราไม่ค่อยไม่ค่อยมองหาโทษเราติดอยู่แต่กับคุณของมันเราไม่ค่อยติดกับโทษเราไม่ค่อยมองเห็นมันมองมันถึงไม่ค่อยเห็นโทษไม่เห็นแต่คุณ เมื่อเห็นแต่คนมันก็ติดค้างอยู่ในระตือเรือรอนอยากพักผ่อนอยากหลับนอนโอ้ลำบากเกินไปอ้หน่อยเกินไปง่วงเกินไปถึงเ ว, เวลาแล้วไปหาสะดวกสบายแล้วโอกาสที่จะมาทำตัวเหมือนบัวซีเหล่า เป็นดอกบวัวสีเหลาที่เป็นดอกบวัวดอกเดียวเนี่ยมันทําได้ยากดอกบวัวดอกเดียวนี่แหละโผล่ขึ้นมาจากที่ตมขี่โคลนยืดเข้ามาขยับเข้ามายืดเข้ามายืดข้ามายืดเข้าม า, ดมาได้กลางน้ํายืดเข้ามายืดเข้ามายืดเข้าม า, ดมาได้ปริมเสมอน้ําเป็นวิปจิตันอยู่โผล่มาโผล่มาพ้นจากน้านํา ผลจากน้ำรอรับแสงแดดเป็นอกคติตันอยู่เรียว่าผู้ตัดสู้เร็วผู้บานเร็วผู้ฉลาดผู้มีปัญญามากผู้สังส่งสมบุญมามากอันดับหนึ่งพร้อมที่จะบานหมายความว่าสติปัญญาภายในจิตดวงนั้นเนี่ยมันพร้อม มีคนไปเคลียร์ไปปรับปรุงให้ไปเปิดหูเปิดตาให้มันสว่างโร่แต่จะเทียบกับดอกบัวก็คอยแต่จะบานมันถูกแสงแดดบัวบางอย่างมันไม่ต้องแดดมันก็มันก็บานบวัวแอันนี้ก็เป็นคำพูดเป็นก็อเปรียบเทียบ พอมันสูงได้ที่มันนำกบาลถูกแดดกับบาลไม่ถูกแดดกระบาลมันโตเต็มที่ของมันแล้วรางลงมาวิปจิตันโยเสมอน้าปริมน้ำก็ยามยื่ตัวมันไปจนโผล่้นน้าวิปจิตันโย ในยะในยะพอบอกได้พอสอนได้ยกแต่หัวข้อขึ้นแสดงอุกติตันยูโโรขึ้นมาทันทีวิปจิตันยูขยายความในยะขยายความแล้วขยายความเล่าเทศซ้ำๆแล้วซ้ำๆเล่า ทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่านี่ถ้าเราจะว่ายชัดนะเราว่ายชัดถึงความเร็วของจิตที่จะรู้ทั่วถึงธรรมเนะนยะนยะเนยยะอธิบายแล้วอธิบายอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอธิบายแล้วอธิบายอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกรู้ได้เข้าใจได้เนยยะปะทะประมะไม่เข้าใจ อธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจอธิบายยังไงก็ฟังไม่ออกฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไอ้ไม่เข้าใจนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้ไม่สนใจเลยเนี่ยนี่แหละเนี่ยพระปรรมะนไม่สนใจเลยไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความศรัทธาไม่สนใจเลยลองดูสิไอ้คนพอจะสนใจอยู่บ้างกับไม่สนใจเลยอันไหนมันพอจะเป็นขึ้นอันไหนมันพอจะยืดตัวมันได้บ้าง มีความสนใจบ้าน<ม>เออมันก็พอจะยืดตัวมันได้ได้<ม>ยินแล้วได<ม>้ยินอีกซ้าแล้วซ้าอีกคูแล้วคูดอีกขัดแล้วขัดอีกเกล่าแล้วเกล่าอีก ม, มันก็ได้แต่ที่มันไม่ได้เป็นอาหารเต่าเป็นอาหารปลาคือไม่มีความเดิมใ ส, ยสถถายศรัทธาไม่สนใจไม่สนเราไม่สนแล้วก็นี่แหละสมัยพุทธกาลก็คือพระพุทธเจ้าไปโปรด พะเจ้าไปโกรดไม่มีศร no er ัทธาเฉยเลยแหะไม่ฟังเฉยไม่สนจะได้อะไรยอมอย่างเดียวยอมประเภทเดียวหลยประเภทไม่สนไม่สนแล้วไม่ได้อะไรอะนี่คือไม่มีศรัทธาไม่มีความดุมใส่ไม่มีความดุมใส่ไม่มีความศรัทธามันง่ายหรือยากเราทําตัวเหมือนบัวดอกเดียวเนี่แหละ มันยืดไปตั้งแต่ปัฏปรมัตไปจนถึงเนยยะไปจนถึงวิปปิจิตันยูปริมเสมอน้ําไปจนถึงอุคคติตันยูโผล่พลน้ำนี้พวกนี้เร็วตรัสรู้เร็วบรรลุเร็วเพียงแต่ยกหังงวข้อขึ้นมาแสดงเหมือนอย่งางภาษาดิบุตรเนี้ยเยธรรมาเหตุปปพวาวันพระอสิจยกขึ้นมาแสดงนิดหน่อยพระอสส พระสารีบุตรโรคขึ้นมา ท, าทันทีเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาพระสาธบุตรทาเราได้เกิดได้เหตุพระตาธาคตตรัดความเกิดขึ้นของเหตุ น, นั้นตรัดความดับของเหตุ น, นั้นพูดถึงเรื่องเหตุเหตุกับผลแค่นั้นเอง ยกเหตุขึ้นมาแล้วก็ยกผลทำทั้งหลายทั้งปวงเกิดแต่เหตุก็มีเหตุกับผล ท, ท่านเอง ท, ทำที่เป็นฝ่ายกุศลมีเหตุแล้วก็มีผลที่เป็นกุศลทำที่เป็นฝ่ายอกุศลก็มีเหตุสิ่งที่ตามมาก็คือผลคือทำฝ่ายชั่วมีเหตุแล้วก็มีผล ที่เป็นเรื่องของไยชั่วทําไฟกุศลเป็นไปเพื่อความฉลาดมีเหตุแล้วก็มีผลสุปลงมาหรือเหตุกับผลสมุทัยเป็นเหตเุทุกเป็นผลเห็นไหมสุปลงมาที่อริยหลักอริยสัจตร่สมุมทัยเป็นเหตุทุกเป็นผลมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผล สมุทัยเป็นเหตุเพื่อความทุกข์มรรคเป็นเหตุเพื่อดับทุกข์นี่ไหมเพื่อดับทุกข์พอดับทุกข์ได้ปั๊บเป็นนิโรธนิโรธคือดับทุกข์จบลงมาเลอแค่นี้แหละถ้าเพื่อยกอริยสัจสีขึ้นมาพูดพูดเหตุกับผลแค่นี้โร่เหมือนภาษาทิ่พูนี่คืออกติตันยูมันลูกง่ายรู้ง่าย ฟังเข้าใจง่ายเป็นดอกบววเป็นดอกบวกโปร่ข้นไปแล้วปนน้ำแล้วร้อมจา บ, บานถุกงอมเต็มที่แล้วจะ บ, บานแล้วถ้าเผื่อเที่ยวกับผลไม้กันโน้นหรือจนหมดยางที่คั่วแล้วแหละหมดความเหนียวที่คั่วนัว้นมีลมไม่มีลมมีกระเทือนมีใครไปสั่นะเทือนไม่ไม่สั่นสะเทือ น, อ, นอยูย่ก็ลนตึบ๊บลงมาแล้ว บนตกลงมาแล้ ว, ลวนี่ถ้าเราจะเทียบเหมือนกันกับ น, นู่นประเภทสุ ส, สุดสุดทาวารนะสุดทาวารชั้นสุดท้ายนะอกติถะอคติถภพอกติถภพเป็นผลไม้ที่สุดงอมอง น, นหมดยางเหนียวที่คั่วแล้วละที่คั่วของสมมติผลม่วงเนี่ย ทีขัวมันเนี่ยหมดยางเหนียวที่จะยึดน้ําหนักไว้ได้แล้วรอนตึบลงมาเนี่ยหมดกิเลสหมดยางเหนียวตัณหาเเป็นยางเหนียวตัณหานี่แหละมันเป็นยางเหนียวทําให้เราผูกพันอยู่กับวัฏสงสารมันเอาเรามาป้ายให้ติดให้เกาะอยู่กับวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย ตัณหาเนี่ยคือยางเหนียวดูไปที่ใจเราเห็นตัณหายพยายามมองให้เห็นตัณหาที่ใจของเราตัณหาคือความอยากมันแสดงความอยาก ว, วิธีจับความอยากเราจับได้เลยแสดงมาคลี่คลายตามหลังมันอยากเพื่อพ้ทุกข์พ้โทษพ้เวรพ้นภยัย อยากเพื่อมรักเพื่อผลเจ้าจงเสริมโอ้อนนี้เป็นมรักอืมอยากเพื่อรักเพื่อชังเพื่อโลภเพื่อโลภโกรธเพื่อเพื่อเกลียดเพื่ออิจฉาเพื่อริษยาเพื่อพยาบาทเพื่อตัณหาราคะโอ้อันนี้เพื่อกิเลสตัดมันอยากแบบนี้ตัดมันพลังพลังของธรรมกับพลังของกิเลสถ้าพลังธรรมไม่มากกว่า มันก็แาพงพลังของกิเลสไม่ได้ถ้าเพลังของกิเลสมากกว่ามันก็ทับธรรมธรรมร้ององอกอแต่ถ้าพลังธรรมมากกว่ามันก็ทับกิเลสนะเพราะฉท่านจึงให้ส่งเสริมธรรมส่งเสริมมากส่งเสริมความอยากที่เป็นมากอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากรักษาวิ น, นัย อยากเดินสมาธิอยากเดินจงกรมอยากนั่งภาวนาอยากปฏิบัติธรรมอยากพ้นทุกข์พนโทษเข็ดลาบในวัตะสงสารความอยากแบบนี้ถ้าว่าเป็นมรรคให้เร่งสนับสนุนให้เร่งส่งเสริมส่งเสริมเท่าไหรก็เพิ่มกําลังเพิ่มพูนกําลังมากกว่ากําลังของสมุทยัยมากกว่าความอยาก ด้วยอำนาจตังหาแต่ตัวมันเองกับตัวมันเองก็เป็นความอยากนั่นแหละอาศัยความอยากที่เป็นฝ่ายดีทับความอยากที่เป็นฝ่ายชั่วฝ่ายกิเลสตนาที่มันทำถมด้ว้หัใจของเราเราดูไปเห็นนะความอยากย้อนดูไปที่ใจของเราสังเกตสังการย้อนไปที่ใจของเราย้อนดูไปที่ใจของเรามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นตอนไหน มันจะเกิดขึ้นเวลาจิตของเราออกมาจุดประกายออกมาจุดประกายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมาสัมผัสชัดเ อ, อยินดีเกิดขึ้นยินร้ายเกิดขึ้นสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นถ้าจิตเราพอใจมันก็ยึดถ้าจิตเราเฉยเฉยจิตเราเฉยเฉยตัณหาไม่เกิด จิตไม่รักจิตไม่ชังจิตเฉยเฉยตัณหาไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดความยึดความถือก็ไม่เกิดพบก็ไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดมันเป็นกระบวนการของมันมันเป็นกระบวนการของมันเราเราใช้หลักนี้เราใช้วิธีนี้มาขัดมาเกาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกซ้ําแล้วซ้ําอีก ดูแล้วดูอีกย้อนแล้วย้อนอีกอยู่ที่จิตของเราเราเริ่มรู้เริ่มเข้าใจจิตเราเริ่มใสจิตเราเริ่มสว่างเราเริ่มเริ่มเลือกขอบแต่สิ่งที่ดีชี่งงามสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นทุกเป็นโทษรู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วมันไม่เกิดดับรู้เท่าทันแล้วมันก็ดับรู้เท่าทันแล้วมันก็ดับ รู้เท่าทันกว่าจะรู้เท่าทันเราจะต้องจุดผู้รู้ดวงนีห้สว่างรู้ด้วยสติด้วยสัมผััญงยับพร้อมอยู่เนี่ยนะจิตของเราไม่ดับจิตสว่างรู้ตลอดจิตสว่างรู้ตลอดโมหะไม่ครอบวิ ช, ชาเกิดขึ้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพยายามจุดจนเกิดจักสุเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดวิ ช, ชาเกิดแสงสว่าง ที่ท่านพูดไว้ในธรรมะจักรเกิดธรรมะจักสุดเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างโอภาษ์แสงสว่างด้วยเหตุที่พระองค์ทําแล้วเกิดญาณทัศนะแบบนี้อืซึ่งพระองค์ไม่เคยมีไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนยอื ดยเห็นที่พระองค์รู้อย่างนี้พระองค์จึงปฏิญาณว่าพระองค์บริสุทธิ์เมื่อก่อนพระองค์ไม่เคยได้ยินพระองค์ว่าพระองค์ไม่บริสุทธิ์แต่ตอนนี้พระองค์เห็นจักสุขเกิดจักสุขเกิดญาณญาณก็คือมันสืบผลไปจากปุญญาแต่มันละเอียดเข้าไปเป็นญาณญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นมั น, เ ป, นเป็นยอดของปัญญา มันเป็นผู้รู้ที่โผล่ขึ้นมาเพื่อเข้าถึงหลักเข้าถึงเกียงของธรรมแท้เ mm hmm. กับผลใ mm hmm. นอกติตัณยยศึกษาอยู่นี่แหละขัดอยู่นี่แหละรู้ว่าเส้นทางตรงนี้ช่องทางตรงนี้เราก็ขัดอยู่ตรงนี้แหละขัดอยู่กับสมถะขัดอยู่กับวิปัสสนาขัดอยู่กับสมถะ พุทธพุทธพุทธนหลับก็พุทธตื่นก็พุทธงอกหน้างอกหลังกบพุทธฮ่าฮ่มีนิสัยชอบหลับมีนิสัยชอบง่วงมีนิสัยชอบหลงมืดตึ๊บ วิธีปลุกให้มันตื่นเวลามันตื่นจริงๆแล้วมันนั่งโรมันเหมือนกับตั้งคอยรับรโอมันอาจมีบางช่วงมันตื่นมันตื่นมันถูกมันถูกรชาด้วยปัญญาถูกปะทุกัน ถูกปะทุกันด้วยออกมาไปจูบเหมาะกันปะทุกันสปากกันตื่นอะไรเสร็จตื่นตื่นวิจิตตมันตื่นตื่นเหมือนอย่างเราตื่นนอนหรือตื่นเหมือนอย่างเราตื่นระหนกลักษณะมันเหมือนตื่นระนกไตื่นระนก เห็นทุกข์เห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นเวรเห็นเป็นภัยตื่นระหนกตกใจโอ้เป็นทุกข์เป็นโทษตื่นตื่นตื่นเนื้อตื่นตัวไม่หลับไม่ไม่หลับเหมือนอย่างตื่นระหนกตกใจโอ้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเวนเป็นภัยสดๆร้อนๆในหัวใจ วิปปจิตันยูจากในยาก็เป็นวิปปิจิตันยูได้จากวิปปิจิตันยูแล้วรู้ได้รู้ได้รู้ยากรู้ยากสังสมอบรมมันจะได้รู้ง่ายตอนที่มันจะสุดแล้วมันก็ง่ายพูดถึงตอนนั้นมันก็ง่าย แต่ตอนที่มันยังไม่ได้นะมันยากถอยไม่ถอยสู้อยู่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยมันก็ได้ไม่สู้ก็ไม่ได้ไม่เดินไม่ก้าวก็ไม่ไปไม่สู้ก็ไม่ได้ไม่ขยับก็ไม่ได้ทอดทิ้งก็อยู่แค่นั้นเหมือนงานเราปล่อยทิ้งมันก็อยู่แค่นั้น เราทําไปเรื่อยทํำมากทําน้อยมันก็ขยับไปเรื่อยมันก็ได้ไปเรื่อยมันก็เพิ่มไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยขยันไปเรื่อยไม่ยอมปล่อยเอาไปนับตายใส่แต่ถ้าหากเราไม่จะล่อมจิตมาเป็นหนึ่งเดียวมันยากจิตมันก็สามชัมมมออ้นเส้น อ, ออกไปนู้นออกไปนี่ นึกเอพเรื่องนั้นนึกเอพะเรื่องนี้ติดอกติดใจเรื่องนั้นติดอกติดใจเรื่องนี้วิ่งวุ่นอยู่อย่างนั้นแหละโอกาสที่จะทํางานนี้ไม่มีไม่ทําติดใจอย่างอื่นสนใจเรื่องอื่นงานใดก็ตามเราสนใจมันมากงานนั้นเราก็ต้องเป็นงานงานไหนเราไม่เคยให้ความสนใจมันมันก็ไม่เป็นแล้วแต่งานเนี้ งานเพื่อสงบงานเพื่อรอบรู้ให้เกิดความฉลาดในจิตในใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราสนใจมันก็ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยตั้งอยู่ในใจของเราปราับปรุงไปเรื่อยขยับไปเรื่อยยืนอยู่เรื่อยปุกอยู่เรื่อยตื่นอยู่เรื่อยรูอยู่เรื่อยขยับไปเรื่อยทำไปเรื่อยไม่ปล่อยใจไม่ทอดทิ้ง ไม่ทอดทุระเห็นว่าเหมือนเราเดินทางขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยเดินไปเรื่อยใกล้ขับไปเรื่อยใกล้ขับไปเรื่อยใกล้ขับไปเรื่อยลองยืนอยู่กับที่มันจะไปได้ยังไงก้าวท้าก้าวสั้นๆไปมันก็ยังมันก็ยังไปสั้นก้าวยาวมันก็ยังไปยาวไปเร็วๆก้าวสั้นก็ไปสั้นแต่ยืนอยู่กับที่มันจะไปได้ยังไง ยืนอยู่กับที่เราไปได้ยังไงเราอุปมาเหมือนกับเราเดินทางจากนี้ไปหาเป้าที่เราไปค่อยๆขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆมันก็ใกล้ขับไปเรื่อยๆใกล้ขับปื่อยใกล้ขับไปเรื่ยเห็นทุกเห็นโทจริงๆกับเมื่อกี้เราเดินเร็วๆวิ่งเร็วๆถ้าไปเหยียบเราก็ไปเจียบจนสุดเนีมันก็เร็วมันขึ้นอยู่กับการเร่งรีบแบบนั้น ไม่อืไม่จืดไม่จืดไม่ชืด ไ, ชดไม่เฉยไม่ชาไม่มีขี้เกียจจ่อมาอยู่ตลอด น, จนอ่จืดจ่อขึนมาเดินจ่อไปดูนู้น ด, ด, ด, ด, ดูนี้ดูอะไรก็ไม่ลืมจ่อเข้ามาเนี่ยไม่ลืมมันนะไม่ง้นมลืมตัวลืมเนื้อลืมตัวไปเรื่อย หลวมตัวแล้วก็ลืมตัวไปเรื่อยอา้าพอแล้วเอาคนนี้ใส่จ้ะ